เือเราอยู่กับสิ่งต่างๆที่โลกมันจุงเราไปก็ไปปฏิบัติอยู่78วันก็เออรู้สึกว่าดีฮะแต่ก็เหมือนคนที่มาเข้าคอร์ส ท, ทั่วไปนะครับก็7วันกลับไปมันก็จะอยู่ได้สักเดือนหนึ่งแนละ้วมันก็เลื่อนลางไปก็ตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้ได้สักปีละ2องคอร์สสคอร์ส อ, อะไรเงี้ยก็ทํามาเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนกับปีนี้ที่ได้โอกาสมาบวชก็ จริงๆก็หลายการอะไรนี่ยากมากนะครับจะมาบวชกับหลวงพ่อนี่วางแผนปีนึงนะครับจําได้ว่าผมไปบอกหลวงพ่อครั้งแรกเนี่ยตอนที่หลวงพ่อไปที่ส่วนโมกน่าจะประมาณเดือนกรกตดาสองห้าห้าแปดก่อนหน้านั้นนิดหน่อยนะครับตอนนั้นก็เรียนหลวงพ่อว่าจะบวชก็จนกรกตดาห้าเก้าเนี่ยถึงเคลียร์ตัวเองได้แล้วก็ให้มาบวชก็ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งช่วงหนึ่งปีก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆ มาถึงวันนี้สามเดือนก็รู้สึกมันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเยอะพอสมควรนะครับความทุกข์มันลดลงผมเข้าใจว่าการปฏิบัติการที่เรานั่งยกมือการที่เราเดินจงกรมเนี่ยเพื่อเราเห็นความคิดของเราเราก็เป็นกลางกับความคิดที่มันนําความสุขความทุกข์ของเราเนี่ยมาให้เรื่อยๆความสุขความทุกข์มันก็อยู่ในใจเราเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเพิ่งถามหลวงพ่อเองนะครับว่า ถ้าออกจากสุขจากทุกข์แล้วความสุขมันคืออะไรจริงๆความสุขผมพ่อบอกว่ า, วามันเป็นบรมณ์มาสุขจริงๆผมเข้าใจว่าความสุขที่ผมเคยเข้าใจเนี่ยมันเป็นกามมาสุขมันก็เป็นสุขที่เกิดจากการที่เราได้สั craft, มผัสกันที่เราได้มองเห็นกันที่เราได้ยินกานที่เราได้ชิมตลอดไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้เกิดความยึดติดแล้วทําให้เราหลงไปกับมนะันอยากได้เรื่อยๆพอไม่ได้ก็เป็นทุกข์ ว่าพอมันเจริญสติเนี่ยมันเหมือนกับมันช่วยให้เราเป็นกลางกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นไม่ไหลไม่หลงไปกับมันอย่างอย่างไม่รู้ตัวเหมือนเมื่อก่อนนะครับเรื่องที่เคยทุกข์ก็ผมสํารวจใจตัวเองว่าเรื่องที่เคยทําให้ตัวเองทุกข์มาถึงวันนี้มันหายไปเยอะไหมมันก็ยังไม่หายหมดนะครับแต่อย่างน้อยผมรู้สึกมันมีสติเป็นเกราะเป็นเครื่องกางําบังไม่ให้มันเข้ามาทําร้ายผมจนตั้งตัวไม่ติด ซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคุณค่านะครับความสุขความทุกข์เนี่ยผมเข้าใจว่ามันเหมือนสิ่งที่ปะปนอยู่ในความคิดของเรานะครับแล้วก็ความทุกข์เนี่ยพร้อมจ ะ, ะตบหน้าหรือทําร้ายเราอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเราไม่มีสติที่เป็นตัวควบคุมหรือว่าสติที่เป็นตัวทําให้เกิดปัญญาแล้วเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นทุกข์แล้วก็รู้ทันมัน อันนี้คือสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้ก็ตั้งใจว่าออกไปก็ไม่ทิ้งนะครับยังไงก็คงต้องปฏิบัติจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่แต่คิดว่าก็คงคีบหรือว่าเก็บเรื่องนี้ไว้เพราะผมรู้สึกมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตแล้วยังกังวลอยู่นะครับว่าออกไปจะไปสอนหนังสือได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าความเชื่อมันเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเล่า ว, ว่าเวลาที่สอนการทําจิตบําบัด กับนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องว่ามันก็จะเป็นเรื่องว่าเออทำให้เขาปรุงแต่งจากฝ่ายลบเป็นฝ่ายบวกแต่การเจริญสติเนี่ยมันออกจากการปรุงแต่งต่างๆเลยในทางโลกก็ยังเชื่อว่าความคิดนี่มันเป็นของเราเนะความรู้สึกนี่เป็นของเราเราควบคุมมันได้แต่พอเรามาเจริญสติเนี่ยเราเห็นว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันตกอยู่ภายใต้กฎไปรักคือมันไม่จรีอ่อไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ควบคุมอะไรไม่ค่อยได้ นะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันกลับไปไปสอนใหม่นี่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปอินทิเกรตยังไงก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เออท้าทายเหมือนกันแล้วเป็นการบ้านที่ตัวเองต้องต้องทำกับตัวเองเหมือนกันนะครับพวกคงกลับไปคุยกับอาจารย์กับเพื่อนร่วม ง, งานที่เออว่าเราไปเรียนสิ่งนี้มาเราจะมันมาบูรณาการยังไงเนาะในการสอนในการดูแลคนไข้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องทางจิตที่ออพัฒนา ขึ้นมาอย่างน้อยกัรอยู่ที่นี่ก็ได้ฝึกขันตินะครับเมื่อกี้สวดขันติก็ได้ฝึกขันติอดทนกับสิ่งต่างๆได้ฝึกการอยู่คนเดียวได้ฝึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมได้รับนะครับแล้วก็มีอะไรที่อยากบอก ย, ยอโยมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยก็รู้สึกว่าทุกคนน่ า, นารักมากเลยนะครับก็ได้รับกัน ยอับอย่างดีทั้งแบบนแต้วพระปิมหรือว่าคุณจิที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำต่างๆก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยที่ให้ความเป็นมิตรแล้วก็ความเป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติในการบอกในการเตือนว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอะไรทำนองนี้ครับก็รู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีขอบคุณพระสงฆ์ทุกรูปเลยนะครับก็หลวงพี่อูลงพี่เอฟแล้วก็ลงพิลัต ทุกท่านเลยอาจารย์นันหลวงพ่อสมรักที่เหมือนกับเออแนะนําทุกอย่างแล้วก็เนนก็ต้องขอบคุณด้วยเนาะเนนนี่เตือนสติผมดีมากนะครับนอนก็ไม่ได้นะครับอยู่กุฏกับเนนนี่ผมนอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเนเนเดินตลอดนะครับจนตรงต้องบอกเนนหยุดหลวงพี่รู้สึกผิดแล้ ว, ลวไม่สามารถเอ็นตัวพักหลังได้เพราะเนนเดินไม่หยุดนะครับเนนไม่เดินเนนก็นั่งยกมือในกุฏินะครับหลวงพี่ไม่สามารถขี้เกียจได้เลยนะครับพอเห็นเนนก็ ต้องทําต่อก็ขอบคุณเทวดาตัวน้อยๆนะครับที่มาพรอมกันแล้วก็อยู่พร้อมกันแล้วก็ผมคิดว่าเนนก็เป็นกัลยาณ ม, มิตรที่ดีมากเลยแล้วก็รู้สึกอนุโมทนากับสิ่งที่ เ, เนนได้มาอยู่แล้วก็ได้เกื้อหนุนกันที่นี่นะครับสําหรับหลกงคอนเซปต์ Concept มันเปลี่ยนครับหลวงพ่อคอนเซปต์ Concept ในตัวมันเปลี่ยนคือคอนเซปต์ในทางโลกเนี่ยมันยังเชื่อว่าความคิดนี่เป็นของเราเราควบคุมได้ ความรู้สึกนี้เป็นของเราเราควบคุมได้พอมันสอนอย่างเงี้ยมันจะทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองมี power ในการเปลี่ยนจากสิ่งที่มันเป็นลบให้มันเป็นบวกแต่พอมาเรียนอันเนี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่ต้องบวกไม่ต้องลบแต่มันเป็นสุขได้ด้วยความที่ไม่ต้องบวกไม่ต้องลบแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันสื่อยากและมันเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้ต้องทําด้วยการลงมือภาวนาเพราะฉะนั้นเนี้ย ไปสอนเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องท้าทายนะครับคือผมจะไปจัดคอร์สปฏิบัติธรรมแบบหลวงพ่อนี่ผมอาจจะทำไม่ได้เขาอาจจะไม่มาหาผมนะครับแต่ว่าก็ต้องค่อยค่อยคิดว่าเออจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปบูรณาการกับองค์ความรู้ทางตะวันตกอย่างไร เดี๋ยวหลวงพ่อก็จะงานเยอะขึ้นไปอีกนะครับแค่นี้หลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่วัดแล้วนะครับก็จริงๆก็จะดีนะครับถ้าหลวงพ่อทําแบบนั้นงานผมก็จะน้อยไปเยอะเลยนะครับก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับคนไข้ด้วยนะครับก็ไปจองสัาณที่ใกล้สี่เป็นกลางเลยครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องคอนเซ็ปที่ได้รับนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ต้องพูดก่อนจะไปไหมอาจจะเป็นเรื่องขอกมาลาโทษนะครับไม่ว่าจะ ล่วงเกินมีกรรมอันใดที่ผมได้ล่วงเกินครูบาอาจารย์พระพิสูจน์สามนเณรหรือว่าญาตโยมทุกท่านเลยนะครับทั้งทางกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีทั้งที่เจตนาก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีนะครับไม่เจตนาก็ดีก็ขออนุญาตขออโหสิกรรมขอโทษแล้วก็ขอให้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันนะครับแล้วก็ ถ้าใครไปกรุงเทพก็บอกนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอยู่กลางเมืองเลยอยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยอยู่ที่แต่ก็ไม่ต้องมาเป็นคนไข้หรอกเนาะมาเจอกันไปคุยกันก็ก็ดีแล้วที่ทมีเครื่องมือรักษาแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยสติสําคัญในที่ทุกสถานแล้วก็ในที่ทุกการมันอยู่ที่เราว่าหลวงพ่อสอนเสมอนะครับว่าเราต้องมีเจตนาเจตนาก็ไม่ใช่ความตั้งใจด้วยผมเข้าใจว่าเป็นความใส่ใจที่จะมีมัน ผมเองก็ต้องพัฒนาส่วนเรื่องออกกำลังกายนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเนาะมันก็ชัดเจนนะครับอย่างแรกวันนี้ยังคุยกับหลมพี่เอฟอยู่ว่า อ, ออกไปเราจะเบนเทนหรือว่าจะทำให้มันได้มากน้อยแค่ไหนเนาะไม่รู้จะตื่นปีสี่มาทำปีห้าได้เหมือนกันหรือเปล่าจริงๆอยู่วัดนี่สบายนะครับอยู่วัดนี่สบายมันไม่มีภาระอะไรมันไม่มีอะไรแล้วก็อนิสงส์ที่ท เ, เกิดจากการทำไฟฟาที่เบตทีไหลอันนี้เล่าให้ฟังหลายรอบนะครับว่าจริงๆก่อนมาเนี่ยผมมีอาการปวดหลังเยอะมากเลยนะครับก็เกิดจากการทํางานและส่วนใหญ่แบกกระเป๋าขึ้นรถไฟฟ้านั่งไปทํางานทุกวันเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกอกาลังกายแล้วก็นั่งอยู่ถ้าเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาการปวดไหล่ปวดหลังปวดตรงนี้ไปหมดเลยนะครับมันจะตึงมากก็ก่อนมาที่ผมเคยเล่าก็ต้องไปนวดอ่ะเดือนหนึงอย่างน้อยสักสครั้งคระห้าร้อบาท 2ชั่วโมงนะครับบางเจ้าก็พันกว่าบาทก็แล้วแต่ก็อยากลองดูก็ไปนวดเขาบ้างก็มันก็หายแป๊บเดียวเนาะมันก็เป็นอีกนะครับก็ช่วงเดือนเนี้ยไม่มีอาการเลยจนเข้าเดือนที่สามเนี้ยไม่มีอาการเลยเดือนแรกๆมายังแบบดื้อๆนิดหน่อยนะครับเพราะเป็นเออไปเหตุ เ, เคยทำโยคะมาก็ลองทาโยคะไม่ก็ได้ทำไอไฟที่เบรทไลท์นะี่ยแต่ช่วงสองเดือนหลังก็ได้ทาตลอดเลยทาทุกวัน ก็ยกเว้นวันไหนที่หลวงพ่อบอกสั่งเก็บอารมณ์แล้วก็วันนี้ไม่ต้องออกกําลังกายก็แต่ว่าระหว่างวันนะมันง่วงมันอะไรก็ทําอยู่ดีนะครับก็คิดว่าได้ทําทุกวันนะมันไม่มีวันไหนไม่ได้ทําก็เรื่องปวดหล่ปวดหลังนี่ก็หายไปเยอะเลยนะครับตอนนี้ไม่มีนะแต่ไม่รู้กลับไปมันจะค้นมาหรือเปล่าก็ยังมีความหวังในตัวเองว่าจะเมนเทนแล้วก็พยายามทําให้ได้ทุกวันนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้มันมันเป็นประโยชน์มากๆเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องการออกกําลังกายก็ เป็นสิ่งที่หลวงพ่อสอนด้วยนะครับว่ากายกับใจมันก็ต้องไปด้วยกันก็นั่งก็ไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะฝึกตัวเองคือนั่งพยายามจะทำให้ใหค่อมนะครับโดนโยมจิบอกประจํานะครับว่าบุคลิกไม่ค่อยดีนั่งตัวงอตลอดเลยผมก็รู้ทันไม่รู้ทันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความเคยชินตั้งแต่เด็กวเวลาเขียนก็จะกลมเยอะมากก็จะพยายามฝึกให้มันยืดขึ้นมารู้ทันมันขึ้นมาอันนี้ก็คงเป็นเป็นสิ่งที่ได้ทั้งหมดแล้วก็ อยากจะบอกทั้งหมดก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับคนไข้ด้วยนะครับเพราะผมคิดว่ามีคนไข้หลายคนที่แวบเข้ามาในความคิดตอนที่ผมภาวนาเน้นะว่าเออผมจะไปสอนให้เขารู้สึกตัวมันมีหลายคนมากที่มาทีไรแล้วผมก็ไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะก็บ่นเรื่องเดิมทุกวันทุกวันทุกวันบ่นบ่นบนเป็นนี่อย่างนั้นขายที่ไม่ได้บน่นบ่นบนไม่มีความสุขเลยอายุหกสิบไอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ยังไม่มีความสุขกันมาสอเดี๋ยวเอาอันนี้แหละไปใช้ เดี๋ยวลองดูอีกทีจะได้เลิกบ่นนะครับลองดูแล้ว อ, อรู้สึกตัวอยุดให้ต้องเดี๋ยวกลับมายกมือห้ามบน่นอยากบนา่นเมื่อไหยกมื อ, อเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงแต่ก็แ ค, แค่แค่คิดก็สนุกแล้วนะครับก็ก็คิดถึงคนไข้หลายๆคนที่ เรารักษาเนอะถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมส่งมาเข้าคอร์สนะครับแต่มันจะยากเพราะว่ามันเขาก็จะรู้สึกโอ้มคีคนมันกังวลเนะมันก็จะแบบหูต้องไปทั้งเจ็ดวันหนะมอจะอยู่ได้เราเดี๋ยวงานมันจะเป็นยังไงมันก็จะอย่างเงี้ยนะครับจริงๆผมคิดจะส่งมาหลายทีแล้วแต่ส่งมายากนะครับแล้วคอร์สหลวงพ่อก็เต็มตลอดนะครับเรช่วงนี้ก็ยิ่งยากหนักก็ไปใหญ่เลยนะครับก็จัดคอร์ส ต, ตั้งหากเลยนะครับหลวงพอ่อ <c oughs> ครับก็เดี๋ยวอันนี้คงเป็นเรื่องที่นําไปใช้ก็ ขอบคุณทุกๆอย่างที่นำพาผมมาอยู่ที่นี่นะครับผมคิดว่ามันก็คงเป็นกรรมเป็นสิ่งที่ผมเคยสร้างไว้แล้วก็ทาให้ผมได้มาอยู่ที่นี่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็ได้มาสร้างบุญบา ร, รมีของตัวเองร่วมกันผมคิดว่ามันเหมือนการเดินทางการเติมน้ำลงไปในตุ่มนะครับมันไม่เต็มชาตินี้มันก็เก็บไปอีกมันก็อาจจะไปเต็มชาติหน้าอย่างน้อยได้รู้จักเรื่องสมมุติได้รู้จัก คำว่าอาวิชชาจริงๆก่อนมาบวชเนี่ยคำนี้ได้ยินมานานอ่านก็ไม่รู้เรื่องนะครับจนมายกมือนี่แหละอ๋อรู้ตัวนี่เองเนอะมันเป็นวิชาอ่านก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเ อ, อ่ยกมือนี่มันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญายัางไงอ๋อพอยกมือมันรู้ตัวเนอะมันรู้ตัวศีลมันเกิดเนอะมันไม่มันไม่คิดไม่ดีเนอะมะโนกรรมก็ไม่มีเนอะวัจีกรรมก็ไม่มีมโนกายกรรมก็ไม่มีเนอะศีลมันก็สมบูรณ์เนอะ รู้สึกตัวขึ้นมาออกจากความคิดอ๋อจิตมันก็ตั้งมั่นเนาะรู้ตัวขึ้นมาอ๋อความคิดนี่เองเป็นตัวทุกข์เนาะปัญญามันก็เกิดเนาะวิชามันก็เกิดแต่ตอนเนี้ยผมรู้สึกมันเป็นมันเป็นขณะขณะเท่านั้นเองผมยังไม่สามารถทําให้มันต่อเนื่องได้นะครับก็อันนี้ก็คงต้องอาศัยความเพียรกับศรัทธาที่หลวงพ่อบอกนะครับศรัทธานี่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความเพียร น, นี่ไม่รู้จะโดนโลกดูดไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามก็จะ ใช้มันเป็นเครื่องมือในการดูแลตัวเองแล้วก็ล้างใจตัวเองนี่แหละให้มันอย่างน้อยวันหนึ่งก็ไม่ปล่อยให้มันสกปรกตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ให้มันมีช่วงที่ได้สะอาดมาจริงๆอิจฉาด้วยครับมีความอิจฉาคนที่นี่นิดหน่อยคนกรุงเทพไม่เคยเห็นนะครับคนที่จะเข้าวัดเช้าเย็นไม่เคยเห็นคนที่จะมาอยู่วัดสามเดือนแบบยงจีอย่างงี้ไม่เคยเห็นนะครับหรือคนที่จะขึ้นมาทําวัดเวลาที่มีครูบาอาจารย์อยู่อย่างยายติมอย่างป้าเต่านี่ไม่เคยเห็นนะครับ อยู่กรุงเทพไม่มีโอกาสแบบนี้เลยนะครับผมเพงดูว่าออกต่างจังหวัดมันมีชีวิตแบบนี้ด้วยฮะก็เลเออถ้าเรามีโอกาสกลับมาอยู่แบบนี้ก็คงจะดีเนาะมาชาร์จแบตตัวเองเป็นระยะระยะไม่ตายแล้วดูแล้ว่าอ๋อมาอยู่อย่างนี้ได้เดี๋ยวไว้เอาบ้างนะครับไอหนีมาเป็นระยะระยะบ้างเพราะว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าวัดก็ไม่มีโอกาสอย่างนี้มั้งก็เลยจะมาปฏิบัติมีครูบาอาจารย์มาสอนเราเช้าเย็นว่าต้องทําอะไรยังไงต้องใช้ความเพียร น, นะนะครับก็ ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของคนมั้งที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็ได้เปิดโลกระทัหมาเออมีด้วยแฮคคนที่เขาคิดจะมาอยู่วัดนี่เราไม่เคยคิดเลยเนอะ อ, อ่าว่าจะมามีแต่พูดเล่นๆนะครับแต่ว่าก็เออไม่เคยเห็นคนที่เขาใช้ชีวิตแบบนี้อันนี้ก็เป็นชีวิตที่เออทำให้ผมได้เรียนรูด้วยนะครับกออ็มีอะไรอีกไหมก็คิดว่ามีอะไรอยากมีอะไรอยากถามไหมครับ หลวงพ่อบอกว่ามีอะไรอยากถามอยากแชร์อยากบอกไหมครับอยากบอกก็ได้ครับไม่ต้องอยากถามก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เผื่อไปล่วงเกินทำอะไรไม่ได้ตั้งใจไว้นะครับก็ขอโทษด้วย สามเณรไปนั่งยกมืออยู่ที่ห um ้องตรวจเลยก็ได้ครับทุกคนใครไอ้นี่เขาห้องสามเณรเลยครับห้ามหยุดดีไหมครับเราเล่นนะครับเริ่มฟรุงซานเลยนะครับเริ่มตรุงแต่งไปแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับสามเณรนี้ผมขอบคุณมากๆคือเขาเป็นแบบอย่างที่ทําให้ผมขีเกียดไม่ได้นะครับแล้วก็แล้วก็เป็นตัวอย่างของความใส่แล้วก็ตัวอย่างของความที่อยู่กับปัจจุบันเนาะ ผมจําได้นะครับว่าวันวันหนึ่งผมคิดถึงบ้านผมถามเนรว่าเนรคิดถึงบ้านไหมเนรบอกไม่อ่ะว่าทําไมอ๋ออยู่บ้านมันต้องหลายปีแล้วนี่ไม่อยู่วัดสาเดือนเออเนอะเออเราไม่เคยคิดแบบนี้เลยเนอะเราคิดแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะกลับแต่ว่าเออเจเนรมันบอกว่าเออก็อยู่มาต้องหลายปีนี่อยู่กับแม่มาต้องหลายปีแล้วนีอยู่นี่บ้าเออเนอะก็จริงเออเราไม่เคยคิดเลยเนอะมันมันมีความใสของเด็กนะครับซึ่งจริงพอมันเห็นความใสของเขาแล้วมันก็อชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่าเออนี่แหละเป็น เทวดาตัวน้อยๆที่ามาอยู่กับเราก็คงเป็นบุญที่ทำด้วยกันมาเนาะเขาก็มาอยู่ช่วงที่ผมมาพอดีนะครับก็ดูเสกว่าโชคดีที่ได้เก้ะหนุนกัน more. Yeah. คงต้องดูเป็นคนๆ ค, ครับมันคงไม่ได้ใช้อ่ามันคงใช้ไม่ได้กับทุกคนแต่ว่าคงต้องดูเป็นคนๆแต่ว่าจริงๆคนส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อนะครับถึงแม้ว่าจะแบบมีความคิดหลงผิดมีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าช่วยให้เขากลับมาอยู่กับร่างกายได้อย่างน้อยเนี่ยรู้สึกถึงความคิดไม่ได้ออกจากความคิดไม่ได้แต่เวลาที่เขากลับมารู้สึกกายเนี่ยมันก็จะช่วยให้เขาออกมาได้แต่ว่า <ผม S 1> ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขึ้นกับความเชื่อของเขาด้วย ว่าเขาศรัทธาหรือว่าเขามีความเชื่อในทางนี้แค่ไหนคงไม่ใช่คนไข้ทุกคนที่ผมจะแบบบอกว่าอา้าวทุกคนมายกมือนะครับมีหวังไม่มาหาผมหมดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆต้องเป็นบางคนผมเคยมีคนไข้หนึ่งคนนะครับให้ยาเท่าไหร่ก็ไม่ดีเลยเป็นโรคจิตเภทเนี่ยเขาจะมีอาการคล้ายๆกับว่าเวลาเห็นใครขยับมือสมมติเขานั่งอยู่แล้วก็เห็นโยมจิตขยับมืออย่างเงี้ยนะครับเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเฮ้ยโยมจิตคิดไม่ดีกับเขาเป่าเนี่ยนี่กําลังจะทําร้ายเขาหรือเปล่าเนี่ย เขาบอกว่าเวลาเขานั่งรถนั่งอะไรเงี้ยเขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดเลยนะครับหรือเวลาที่นั่งตรวจกับผมเนี่ยเวลาผมนั่งสมมติผมนั่งกระดิกเท้าหน่อยนึงเอะ๊ะหมอคิดไม่ดีกับเขาป่ะหมอจะทําอะไรเขาป่ะนะครับสิ่งที่ผมสอนเขาก็คือเออเนี่ยสังเกตนี่มันเป็นความคิดคนนี้เป็นคนแรกที่ผมสอนเขายกมือนะครับคนนี้รักษาหลายอย่างมากเลยใช้ยาหลายตัวไม่ดีขึ้นใช้ไฟฟ้าเข้าไปในสมองด้วยวทําให้ชัด ก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดแล้วก็ยังไม่หายนะครับทายที่สุดเนี่ยก็เลยต้องใช้ไฟฟ้าร่วมกับเนี่ยให้ยกมือนี่แหละใช้ได้เป็นคราวๆอากาศเขาจะเป็นเยอะเวลาที่เขาต้องนั่งรถออกมาข้างนอกอเช่นมาโรงพยาบาลในเวลาที่เขาเห็นคนบนรถเมยขยับตัวเขาจะรู้สึกเหมือนระแวงก็พอใช้ได้ครับเป็นบางคนอีกคนหนึ่งก็เข้ากลุ่มที่เหมือนกับดูลมหายใจแล้วก็มีสติเออเขาก็รู้ตัวได้นะครับเขาก็ดูแลอ๋อจริงๆเนี่ยเป็นความคิดที่ผมคิดไปเองแหละ เขาก็จะมีอาการที่คล้ายระแวงคนจะมาทําร้ายคิดว่าตํารวจปีนหลังคามาที่บ้านแต่จริงๆไม่มีอ่ะเพราะเป็นความคิดที่มันปรุงแต่งไปเพราะฉะนั้นถามว่าใช้ได้ไหมผมคิดว่าเป็นบางคนก็ถ้าคนไหนใช้ได้ก็ดีครับก็จะเป็นโอกาสของเขาในการที่เหมือนกับเจริญในทางธรรมด้วยแต่วิธีการหหลวมพ่อเทียนเนี่ยข้อดีคือมันรู้สึกกายค่อนข้างชัดรู้สึกมือที่มันขยับเขยืขย้อนเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างชัด อย่างน้อยเขาไม่เห็นใจของเขาเขาตามใจเขาไม่สามารถควบคุมจิตของเขาได้อย่างน้อยเขากลับมาที่ฐานกายของเขาเนี่ยก็จะช่วยให้กลับมานิ่งได้สักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ตามความคิดของเขาไปอันนี้คือประสบการณ์ของตัวเองในการรักษานะครับหรืออย่างคนไข้ ย, ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยก็มีคนไข้าบางรายนะครับที่จะมีความคิดเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่นกลัวตัวเองจะเป็นเอดส์อย่างเงี้ยคิดเองนะครับคิดเองเห็นพระพุทธรูปแล้วมีความคิดอย่างเงี้ยปุ๊บขึ้นมา เขาไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนี้เหมือนกันโอ้ยแต่ความคิดนี้มันทรมานหรอมากหรือบางค น, เ, นเดินผ่านสารพรภูมิแล้วก็ด่าสารพรภูมิก็รู้สึกผิดมากเป็นความคิดที่เขาควบคุมไม่ได้อย่างเนี้ยใช้สติ ด, ดีเลยครับก็ให้เขาเห็นว่าอันนี้มันเป็นการทํางานของความคิดนะมันไม่ใช่ตัวเขาแล้วก็กลับมารู้สึกตัวมันก็เป็นกลางกับความคิดของตัวเองได้มากขึ้นอย่างนี้ครับก็พอใช้ได้ครับ แยครับพวกีควาสูงดีสังคมดีแต่ังอันนี้เป็นความคิดของคนทั่วไปแหละไม่จริงหรอกผมเชื่อนะทุกคนนั่งอยู่ที่ทุกคนนั่งอยู่ที่นี่มีทุกหมดนะครับทุกคนนั่งอยู่ที่นี่มีทุกหมดผมก็มีทุกเหมือนที่ทุกคนมีผมก็คิดถึงคนที่ผมรัก ผมอยู่ที่นี่สมเดือนผมไม่ค่อยได้ติดต่อผมก็คิดว่าเขาจะเปลี่ยนไปไหมเขาจะเหมือนเดิมไหมเขาจะโอเคไหมคนที่รักผมผมไม่ได้ไปตุ่มกิจกรรมอะไรเขาเขาจะเปลี่ยนไหมคิดแค่นี้ก็ทุกข์ละครับคิดถึงบ้านก็ทุกข์แล้วคิดถึงคนรอบๆตัวอยากจะไปทํานู่นทํานี่ก็ทุกข์แล้วครับแล้วยิ่งเก็บอารมณ์อยู่คนเดียวเนี่ยนะโหมาเป็นถังเลยครับความคิดเนี่ยมาเป็นกุลุตเลยความผิดในอดีตที่เคยทําความ ไม่ดีต่างๆที่เคยทํามันขึ้นมาเองนะครับแล้วจริงๆทั้งหมดเนี่ยบ้าบอมาเดินไปเดินมาโอ้่นี่ต้นไม้อยู่หน้ามองไม่เห็นเลยเนอะอยู่แต่ก็ความคิดในหัวเราเนี่ยว่าเคยไปทำอะไรผิดเอาไว้อยู่กับความกลัวที่มันจะออกไปแล้วมันจะไปเจออะไรเนี่ยแค่คิดว่าเมื่อวัอนนี้จะกลับไปทํางานเนี่ยเฮ้ยโกนอกมันน่า ก, กลัวเนาะความคิดมันน่า ก, กลัวเนาะมันไปเจออะไรก็ไม่รู้ที่มันเปลี่ยนแ ป, ปลงได้ตลอดเวลาเลยอ มันเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยนะครับสิ่งที่เราเจออยู่ข้างนอกเพราะมันเป็นสมมุติแล้วมันก็อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เนี่ยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกจิตให้ดีเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยเนาะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ป่ะครับแล้วเราก็มักจะทุกไปกับมันศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่า change is inevitable but suffering is optional แปลเป็นภาษาไทยว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเนาะ แต่ความทุกข์หรือความทรมานเนี่ยเป็นทางเลือกเราเลือกที่จะทุกข์หรือเปล่าลังจาการเปลี่ยนแปลงนั้นผมพบว่าการจเจริญสติเนี่ยเมื่อเราจเจริญสติไปเรื่อยๆเราเห็นธรรมชาติของความคิดเราเห็นธรรมชาติของตัวเราเราเห็นธรรมชาติของใจเราที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราจะยอมซีโรราบนะครับผมขอใช้คํานี้นะเซเรนเดอร์ซีโรราบกับไอการเปลี่ยนแปลงนี้แหละยอมรับมันอย่างที่มันเป็นนะ่ะไม่อะไรกัมันมาก เวลารู้สึกตัวมันก็ไม่มีดีไม่มีไม่ดีเนาะไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีชั่วไม่มีไม่ไม่มีชั่วไม่มีดีแล้วมันก็ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นนะครับคือผมยังทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซนนะแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อยค่ขยับมันค่อยค่ขยอบถ้าสามเดือนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมทำได้สักกะไม่ถูกน่าจะสักสี่0ห้าสิเปอร์เซ็นต์มั้งแต่ก็ไม่รู้นะครับผมคิดว่าสนามจริงคือ วันจันนี่แหละผมรู้สึกว่าอันนี้สนามหลอด อ, อยู่ที่นี่มันดีนะครับสนามจริงนี่คือวันจันทร์ี่ผมจะกลับไปนี่แหละผมจะยังทําไฟที่เบริไลต์ต่อเนื่องได้อีกกี่วันผมจะยังทํางานกับสติได้อีกเท่าไหร่นะครับเพราะงานผมนี่อยู่กับความคิดนะครับจิตแพทย์เนี่ยเป็นแพทย์ที่เกือบจะสบายที่สุดนะครับเพราะว่านั่งคุยลูกเดียวนะครับนั่งคุยแล้วก็นั่งฟังลูกเดียววันหนึ่งเนี่ยบางทีฟังสิชั่วโมง ฟังเรื่องคนเดินเขามานั่งฟังทุกชาวบ้านแถวช่องกันนะครับนั่งพยักหน้าอืมอืมอมแ้วก็พูดอะไรนิดหน่อยก็จบนะครับแล้วก็ช่วยให้เขาสบายใจขึ้นแล้วก็จบเพราะฉนั้นผมทํางานอยู่กับความคิดทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกันสติก็ช่วยดูแลความคิดของผมและสบายๆก็เดี๋ยวลองทําไปนะครับตอนนี้มันโลง่ลงๆนะครับหัวมันโลง่ลงๆมันรู้ออกไปมันก็ไปเจอของหนักข้างนอกจริงๆมันจะเป็นยังไงจริงๆอยู่ในนี้สบายกว่ามาก นะครับแต่มันก็มีกฎเกณฑ์อะไรที่ผมต้องฝึกเยอะเหมือนกันพูดถึงความสบายกายความสบายอะไรนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มากแต่มันมันไม่มีภาระเท่านั้นเองถ้าเปรียบเนี่ยการมาบวชสามเดือนเนี่ยเหมือนผมมาอยู่ในสนามรบนะครับมาอยู่ในสนามรบโดยที่ศัตรูเนี่ยก็อาจจะเป็นความกโกรธอาจจะเป็นความเสียใจอาจจะเป็นความฟุ้งซ่านอาจจะเป็นความง่วงอาจจะเป็นความสงสัยแต่ในสนามรบเนี่ยมันมีกฎอยู่ ว่าห้ามสู้มีอาวุธอยู่อันเดียวคือสติดูอย่างเดียวห้ามสู้ห้ามยอมแพ้สู้ปุ๊บนี้แพ้เลยแล้วก็ตามมันไปก็แพ้เลยยืนดูเฉยๆมีสติตัวเดียวแล้วก็ตอนแรกๆสติมันก็ตัวเล็กๆเนาะมันก็แพ้หมดเลยนะครับแพ้ความเบือ่อความง่วงอะไรนี่แพ้หมดพอมันโตขึ้นหน่อยเออมันก็ดีขึ้นเนาะมันก็พอสู้ได้พอจัดการมันไหว แต่ข้อดีของสนามรบเนี่ยคือแพ้เราก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งอที่หลวงพ่อสอนนะครับก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งก็ค่อยๆเริ่มต้นไปที่ผ่านไปแล้วก็เป็นอดีตอนาคตยังมาไม่ถึง <S <S ผมจําประโยคนี้แม่นเลยนะครับจากเทศหลวงพ่อเทียนที่ได้ฟังเงนไหนไม่รู้บอกว่าอดีตก็ทําอะไรกับมันไม่ได้อาผ่านไปแล้วนะครับอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันเท่านั้นแหละที่มันถ้าเรารู้มันถึงจะแก้ทุก แก่สิ่งที่มันขังข่งค้างอยู่ในใจเราได้ในปัจจุบันคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะครับอดีตผ่านไปแล้วเทมันทิ้งไปอนาคตอะไรก็เทมันยังมาไม่ถึงก็อย่าพิ่งก็แค่นี้ยก็พอแล้วครับก็รู้ไปเรื่อยๆคำสอนหลวงพี่เอฟก็ดีนะครับหลวงพี่เอฟไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่จริงๆคําฟังหลวงพี่เอฟเทศที่ไรผมก็ได้อะไรทุกทีนะครับประโยคที่หลวงพี่พูดเรื่องออปฏิบัติแล้วใจมันต้องโปร่งๆเนาะ ใจมันต้องสบายเนาะปฏิบัติแล้วเช็คตัวเองนะครับว่าใจมันสบายขึ้นไหมถ้าปฏิบัติแล้วมันไม่สบายขึ้นเนี่ยมันก็คงผิดเพราะเราปฏิบัติเราต้องเบาขึ้นถ้าปฏิบัติแล้วมันหนักขึ้นเนี่ยก็คงไม่ใช่เนาะแล้วตอนนี้เป็นหลวงพี่เอฟก็พูดเรื่องภาระต่างๆเราอยู่โลกนี้แล้วเราไม่ได้อยู่อีกโลกหนึ่งละตอนนี้เราทําหน้าที่อย่างโลกนี้ให้เต็มที่โอ้ประโยคนี้แบบคลิกเลยนะครับเออตอนนี้อยู่ตรงนี้เอาตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนก็ได้อะไรหลายๆอย่างจะ วาจันนะครับหลวงพี่อูก็เป็นสอนเทคนิคอะไรเยอะๆนะครับม้วนผ้าพันผ้าอะไรนี้อุ้ยลำบากมากนะครับสัปดาห์แรกนี้ชุดพระเนี่ยใส่แล้วร้อนก็ร้อนเนาะอากาศร้อนก็ทําให้ร้อนมากขึ้นนะครับหนาวก็หนาวมากขึ้นเนาะเพราะใส่แล้วมันไม่ ไม่ช่วยอะไรเลยก็เป็นการฝึกความอดทนเนาะกับคนนอนแอร์นอนเตียงนิ่มๆ ม, มาตลอดนี่ก็โอ้โหลำบากเหกันนะครับสัปดาห์แรกนี้ก็ยากมาได้เทคนิคต่างๆจากเออหลวงพี่อูจากหลว ง, งพ่อสมรักก็ช่วยเออจะใส่ผ้ายังไงจะทํำยังไงอะไรเงี้ยก็ช่วยเยอะแยะนะครับบาทยังถือไม่เป็นเลยนะครับเดินบินทบาททุกวันนี้ยังเจ็บเท้าเลยนะครับผมไม่ชินซะทีนะครับไม่เคยเดินตาม ทะรูปอื่นท so ันเลยนะครับแต่ก็เอาก็เดินไปเจริญสติไปหลวงพ่อบอกไม่ต้องทำให้เสร็จทำเอามีสติก็มีสติไปก็คงประมาณนี้ครับเดี๋ยวเล่าเยอะพูดเยอะนี่เริ่มมันแล้วนะครับก็รู้สึกว่าจบไปตรงนี้ดีกว่าครับหลวงพ่อก็การแบ่งปันนะว่าในหดสามเดือนท่านได้อะไรมาบ้างแล้วก็สรุป ให้ฟังเ ป, เ, ปเป็นเรื่องเป็นเรื่องอโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือได้สุขภาพดีขึ้นก็พอใจแล้วแต่ว่าคอนเซปหรือเกี่ยวกับแนวความคิดต่างๆเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งผมอยากให้ใ ห, หมอทำก็คือคาราวาสเวลาดูแลรักษาที่มีผลมากคือการสัมผัสนะการสัมผัสการผู้เท่าผู้แก่หรือนักคนไข้เข้ามาเนี่ย แต่หมอตำรวมีญาติคนไข้อยู่ด้วยนะเดีไปจับตัวเขาด้ไม่มีไม่มีญาติอยู่ด้วยเดี๋ยวเาว่าเราเล่ารลวงอะไรไม่ได้นะคือมีการคือการเขาเรียกรเอเอไอสัมผัสเทโลปีเขาเรียกอะไรนนะนะเจอทัการา ท, ทัสกัไนไอ้นวดอะไรบางอย่างคือเขาจะเขาสาคัญ น, นะตรงนี้นะ บางทีมันสามารถแทนที่เราจะพูดเป็นหลายๆนาทีอ่ะพอสัมผัสนี้มันรู้สึกออใช้เวลาสั้นแต่ว่านี่นนนส่วนหนึ่งเนเพราะ น, นั้นเองก็ในภากปฏิบัติถ้าหากว่าเราทั้งใช้คำพูดใช้อกักบกริยาและใช้การสัมผัสในการดูแลรักษาอ่านั้นก็คงจะต้องไปฝึกในด้านนี้ด้วยเนะี่ยการสอนดุมปราณ เดี๋ยวไฟที่เบรคท์ไลท์ท่าไหนที่พญา น, น้ได้นะ่ะแล้วเขานั่งพูดๆอยูาา่ไม่เจบไอนๆเราองนั่งทําแบบนี้ไี่เป็นไหมแล้วก็ให้เขาทำแทนคือแทนที่จะนั่งฟังเขาตลอดเรื่องนะมันเป็นเรื่องที่นิเกตีเพื่อนั่นนะ่ะทีนี้มันก็เอาอขยะที่เป็นพิษนะมาใส่เราเลยนั่งรับฟังอย่างเดียวตลอดชั่วโมงไม่ได้เราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึง เ, ด, เ ด, ด, ดีเดี๋ยวเดี๋ยวพูดๆเดี๋ยวรู้ขึ้นตัด้เป็นไงเป็นตรงไหม การก้าวไปข้างหน้าดูดิรู้สึกตัวไหมถอยกลับมาข้างหลังไปรู้สึกตัวไหมไปไปลู้สึกเราจะชวนพูดไปทางทางบวกเหมือ น, นเถ็กแต่ต้องหาเรื่องให้เขาทำก่อนนะถ้าให้เขาพูดเรื่องลบใส่เราเนี่ยมันเสียทั้งสองฝ่ายล้วก็รับขยะเขาไปด้วยขเขาก็าเอาขยะออกมาเรื่อยๆไม่หมดแต่เวลาเราเปลี่ยนทางใหม่เหมือนกันเราช่วยเราช่วยเขาเผ า, าขยะเหมือนนันเถอะช่วยเขา ข, าขยะเพราะสิ่งที่เป็นในในกิกิตีพึ่งหลายเนี่ยมันขยะเสียนะขยะมลพิษ เดี๋ยวถ้าหากว่าเราล็อกก็ไปเยอะๆนี่ผมเคยพูดกับหมอมโนุษ์บอกว่าหมอถ้าเป็นหมอจิตนี่นะถ้าเราจิตไม่สูงกว่าเขาเนะี่ยเราต้องรับวิบากเขามาในสิ่งที่เป็นนักดีของเขาเนี่ยเราต้องล็อบมาเลยให้จิตต้องสูงกว่าเขานั้นต้องฝึกให้เยอะๆเลย น, น, น, นั้นก็คือเวลาอแต่และคนมาหาเนี่ยก็คงดูละเขาคือจะหอบทั้งขยะมาอีกแล้วคิอย่างนั้นเลยนะเอ๊ะเราจะเผาแบบไหนเนาะนะ เอาเลยนั่นก็ปิดเครื่องเลยปิดได้ดังนั้นก็พยายามที่จะฝึกฝนจเจริญสติแบบนี้กันเยอะๆขึ้นนะเพราะมันจะทำให้เร า, าสามารถสกัดสกัดได้สิ่งที่เป็นลบจากคนอื่นเช่นคนไม่เข้าใจเราผิดเขาพูดปังปๆงปง ป, งปังมาเนี่นะถ้าหากว่าเราไม่ตั้งสตินะเราก็อารมณ์เสียแล้วแต่ถ้าสมมุติเราตั้งสติแล้ว มืนกับคนกำลังป่วยพูดต่อหน้าเราเนี่ยอารมณ์เขาป่วยแทนที่เราจะไปนึกเป็นไอลบนะจิตเป็นบวกทันทีเลยพมือ่อคนป่วยก็พูดแบบนี้เพราะนั่นก็เห็นใจแล้วก็ลูปหน้ารูปหน้ารูป ห, หลังสักพักหนึ่งเขก็เข้าใจแล้วนะแต่ถ้าเราไปโกรธเขาหน้าบึงาบ้งเสียเขาเถียงกขาเนี่ยเป็นเรื่องเลยทีนี้แต่ก็เออเดี๋ยวใจจนะเย็นหน้ามีอะไรก็คุยกันเนละย<笑><笑>ยังจับเลยยัมจับเลยเขาพัฒนาสาธุเขาก็ เลือกว่าเรื่องที่ผิดพลาดหรืออะไรต่างก็ไม่ค่อยมีนะเพราะเราอยู่กันด้วยบรรยากาศที่เพื่อนมิตรเป็นกิยานะมิตรกันโดยทางฝ่ายผมพระพระวิทมที่อยู่ที่นี่มีอะไรผิดพลาดบกุกคองไม่ต้องอัิยายใส่ก็ต้องขออภัยแทนด้วยเพราะว่าเราต่างคนก็ต่างมาฝึกนะครับก็ยังไม่สมบูรณ์กันสักคนก็ในช่วงฝึกก็ถูกบ้างผิดบ้างอาจางก็ใช้เป็นครู ของกิจกันนะก็ขอมโมทนาญาิโยมพี่นั่งตั้งใจฟังแล้วคิดว่าจะนำไปพิพจารณาศึกษาเพื่อมาปรับใช้กับตัวเองเพราะว่าหมอมาจากกรุงเทพลงทุนทั้งเวลาอันมีค่าท่านมาบวชแล้วตลอดถึงได้ถวายตั้งเอาไว้ทําบุญที่นี่ก็มาจำนวนหนึ่งะก็ก็ยังมาได้แต่เราอยู่ใกล้ๆนี่เราไม่เอากันอย่างจริงจังเนี่ยน่าเสียดาย อนะย่าไปใกล้เกี่ยวกินด่างนะถ้าหากว่าเราอยู่ใกล้กันแล้วเราไม่ได้อะไรจากกันเลยเนี่ยวันหนึ่งก็ตายจากกันป่วยจากกันป่ไม่ได้อะไรเลยอยู่วัดป่วยไม่ได้อะไรเลยมาวัดเนี่ยพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะเราอยู่แล้วเราไม่เอาเองนะนนก็ขอให้ตั้งใจอย่างเข้มแข็งในการที่จะพปฏิบัติให้เข้มแข็งไปด้วยกันทุกคนทุกท่านทีอ